f 0 languages. 64 t Aravatta n a l การปฏิเสธหนึ่ง Nisheda r o p a undu. d i s a n ไม่เข้าใจคำศัพท์ Nanage apada artha wagudu dilla. ดิฉันไม่เข้าใจประโยคนนเกอาว่กี้ อ, อัตากูดิลล่ดิฉันไม่เข้าใจความหมายนันเกอัตตากูิลละคุณครูอัธยาปะกะคุณเข้าใจคุณครูไหมคะนิมเกอะปกรูเฮลูวดูอัตากุตเตเดย ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดีฮาวดูอาวารุเห็ดบูดันนฉันนากีอรตามาไม่ดีโผ ล, ล่บัลเลคุณครูอัจจะปักกคุณเข้าใจคุณครูไหมคะนิมเกะอัจจะปักกีเห็ดูดอรตวาวุตเดค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี how do อารุเหรอวุดันนู้อัตตมาดิคนลบัลเลีผู้คนจนากรูคุณเข้าใจผู้คนไหมคะนีบูจนากรันนู้อัตตมาดิคนลบัลเลเิเร่ไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่คะ่ะไละ นานุอววรนุอชษตุชินนากีอร์ตมาดีโคลลาร่เพื่อนหญิงแฟนเนืิคุณมีแฟนไหมนิมเกออบบาสเนื้อิตะอิดดารเยค่ะที่ฉันมีเฮอดูนั่นเองอบบาสเนื้อหิตอิดดาร ลูกสาวมักลูคุณมีลูกสาวใช่ไหมนิ่มเกรอบบะมกลูอิดดาเลีไม่ดิฉันไม่มีลูกสาวอิลนะนนั่นเกมักลูอูลละ